อาตมาเลยถือเอาสิ่งที่เป็นมงคลคือรูปแจกเพื่อเป็นอนุสรในการไปมาของพวกท่านทั้งหลายพระพุทธรูปองค์เล็กที่ยืนอยู่ก็เป็นพระของอนออ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 เอาไ ป, ประสมก็อะไรไม่รู้ท่านก็ปั้นเป็นรูปพระแล้วให้ดุษิตทหารอากาศสร้างท่านไม่เอาไว้ที่ไหนท่านก็เก็บมาถวายไววที่วัดน้องปะบคงสั่งว่ากระผมสร้างพระนี้เห็นว่าดวงพ่อนั่นไม่ยอมสร้างเหรียญ กระผมจึงเห็นประโยชน์จึงได้ให้ลูกศิษย์ปัณฑพระเด็กๆยืนเพราะว่ า, ราพระประธานในวัดต้องประพง์นี่ก็เป็นพระประธานยืนแต่ว่ายืนอธิบายจับที่แจงสองมือไม่ใช่มือเดียวอย่างเงี้ยทำเป็นสองมืออย่างเงี้ย แต่เป็นพระปางปฐมเทศนาได้มีคนถามมาร่องพ่อไอ้พระไอป้ปางปฐมเทศนานี้ท่านอธิบายมือเดียวอันนี้ทำไมมีสองมืออัตมาตอบคือว่าคนในเวลานี้มันไม่ค่อยได้ยินมันหนาหลายต้องทำสองมือมันจึงเข้าใจคนแต่ก่อนเนี่ย พระพุทธเจ้าเทศในอัสนะนั่นก็เป็นโซราสกิตคาอนาคาไปมากท่นเน้นมือเดียวก็พอแล้วทุกวันนี้ลูกหลานประชาชนคงมันจะหนาไปนะมัง้งในเน้นสองมือเสียเพื่อใจมันรู้สึกสัหน่อยหนึ่งวันนี้ก็เลยเก็บไว้เพื่อมาฝากพุทธบริษัททั้งหลาย อืพระนี้ก็เหมือนมีดเล่มหนึ่งมันคมคมมีดคมคมเล่ม น, นี้ถ้าหากว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์มากถ้าเราเอาไปใช้ไม่รู้จักประโยชน์ของมีดมันก็ไม่เกิดประโยชน์พระนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอืมเรานับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสง์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 คือคำสอนของท่านนะ่ะมันถูกแล้วไม่ต้องแก้ไขแล้วมันถูกต้องดีแล้วทุกอย่างทุกประการอืมนะที่ถูกต้องอะละเป็นคำสอนของพระถ้าเราทำกายทำวาจาทำใจของเราหถูกต้องแล้วก็ไม่มีทางที่แก้ไขก็ขมันหมดเท่านั้นเนะี่ย นี่เรียกว่าเราเข้าใจเช่นนั้นเราเอาพระไปบูชาไปแขวนไว้ที่คอนะไอ้เพื่อความไม่สบายกายไม่สบายใจมาถึงก็อันนี้หลวงพ่อนะครับดูเห็นหลวงพ่อแขวนอยู่นี่ยอันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อกุ้มครองเราแล้วนะเราจะไปทำอะไรก็ได้ จะไปกินเหล้าก็ไรจะไปเป็นนักเลงก็ได้จะไปเป็นอะไรก็ได้นะน้องพ่อครุมครองเราอยู่ไม่กลัวแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเนี่ยนะคือประดับความดีของเราเช่นว่าเราเข้ามาในวัดมามาเข้ามาในวัดถ้าเราเดินมาแต่ตัวปเปล่าๆนั้นนี่ก็ไม่ค่อยปรากฏกระหูกกระตาคนคนที่เข้ามาวัดนี่บางทีก็ถือธูปมา แล้วก็มีเทียนมาแล้วก็มีอะไรต่างๆมานี่แสดงว่าคนนี้มีศรัทธาจะไปวัดถ้าเดินกันมาเฉยๆก็ไม่ค่อยจะรู้อันนี้ให้ปรากฏแก่ตามนุษย์ทั้งหลายด้วยเป็นเครื่องหมายพระพุทธรูปนี่กหมือนกันฉันนั้นพระพุทธรูปนี่เกิดทีหลังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านิพพานไปหลาย ได้ร้อยปีเหมือนกันทีนี้มีคนที่มีปัญญาคิดถึงพระพุทธเจ้าจะทําไงดีนาะนะก็เลยคิดปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาดังนั้นคนมาปั้นขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นพระพุทธรูปจึงไม่เหมือนกันไอ้พวกจีนก็เป็นรูปหนึ่งพวกไอ้เชียงใหม่ก็เป็นรูปหนึ่ง ญี่ปุ่นก็เป็นรูปแต่ก็ยังไงก็ตามแต่ใครๆก็ปั้นเป็นรูปพระนั่นเองเนี่ยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเหมือนกันที่ว่าพระอะฉะนั้นเราผู้เป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นติพึ่งก็มีพระไว้ประจำตัวเป็นวัตถุเพื่อจะให้มองเห็นด้วยตาเช่นนั้น เหมือนกับหูของเรานั่นแหละรู้จักว่ามันผิดอยู่แต่ไม่มีใครพูดให้ฟังมันก็ไม่สะ ก, กิดใจเราถ้ามีใครเตือนบ่อยๆตรงนั้นมันผิดหนาะดูกนะตรงนั้นมันผิดหนาะอย่างนี้เราก็มีสติขึ้นมานะอันนี้็เหมันกันฉันนั้นเราเอารูปพระไปแขวนคอนะไปแขวนคอนะก็เพื่อให้เรามีสติอย่างนั้น วันหนึ่งอาตมาผู้กากับนิมนต์ไปสถานีตารวจไปทำบุญกันทำบุญแล้วท่นานก็บอว่าลุงพ่อนิมนต์ศาสตร์นำมนต์ให้เป็นสิริมงคลด้วยที่เขาหามาแล้วอาตมาก็ศาสตร์ไปเขาบอกว่าลุงพ่อนิมนต์มาทางนี้ด้วยมาศาสตร์ให้พวกนี้ด้วยอาตมาก็เดินไปไม่รู้จักบัตีคุมขังของเขา อว่า he i, he i เฮ้ยเ้ยไอ i, พวกนี้มันดุกมานี่หลวงพ่อมาแล้วเนี่ยสาธนมนตเสียงหลวงพ่อมันโดนกันดังสวเสียสวเสียสวเสียมาในพวกเฮโรอีนทั้งนั้นนาจิงโก้ทั้งนั้นอันจะมาก็จะทํำยังไงเนาะอนี่คือมันไม่เข้าใจไปทําความชั่วอยู่อก็เป็นเช่นนั้นแต่พระมันแขนอยู่ในคอมันไม่ดุสึกตัวเพราะมันไม่เข้าใจพระ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 เป็นคนที่เยือกเย็นจิตตั้งมั่นในการละความชั่วประพฤติความดีอยู่ทุกเวลาจึงเป็นพระที่แจกพระให้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้บางคนก็คงดีใจมากบางคนก็สงสัยอะไรหด้ๆอย่างคนต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่างไรก็ตามเธอพ่อแม่ของรเรา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 แก่บางคนตายหนุ่มมันก็ตายถึงขอมามอบกายถวายชีวิตอย่างนั้นก็มีแต่ว่ามีน้อยปฏิปทาของวัดนี้อาตมาจะให้เป็นเหมือนๆกันคนเราทั้งหลายนั้นศา ส, สนาที่จะเสื่อมหรือคนที่จะทะเลาะกันนั้นก็ไม่มีอื่นเพราะความเห็นไม่เข้าใจกันไม่ถูกกันในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน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 อะไรดีๆก็ถวายอัตมานั่นแหละมนุษย์เราก็ชอบเป็นอย่างนั้นถ้าอัตมานี่ไม่เป็นพระก็เก็บไว้คนเดียวเท่านั้นเนี่ยหมดทายแถวมันก็หิวเท่านั้นแหละอืเหมือนคนจนกับคนรวยเนี่ยนะไอคนจนเนี่ยมันก็มันจนมันไม่รวยไอคนรวยมันก็ไม่แบง่งเดี๋ยมันก็ชวนกันก็นกไปป้นเท่านั้น มันไม่แบ่งไงไม่ไม่มีกินจะทํายังไงมันเป็นเชนนั้นไม่วาดแต่มนุษย์โดยแม่สุนัขเราก็เหมือนกันลองดูทีให้มันกินตัวเดียวดูสิมีไหมสุนัขที่บ้านเราเคยมีไหมมีสุนัขสองตัวสามตัวไหมเอาให้มันกินตัวเดียวสิลองๆองดูทีอ่เนาแล้วมันจะกระโดดขย้ํากันตรงนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นธรรมชาติมันเหมือนกันอย่างนั้นอืม ฉะนั้นที่วัดนี้หรือสาขาออกจากวัดนี้พยายามให้สอนว่าเอกกราบทั้งหลายที่มันเกิดมาในที่นี่เช่นว่าโยมกอนิมนพระไปสวดมนต์เย็นเก้าองค์อย่างนี้อัตมาก็จัดไปเก้าองค์พี่จัดไป9้าองค์นั้นทายกก็จะถวายเอกกราบมาองค์ละชินระชินลชิน เมื่อมาถึงวัดแล้วทั้งเก้าองค์นั่งทิ้งไปตรงนั้นเลยไม่มีของเจ้าของแล้วมาที่นี่ทิ้งไปกองกลางนั่นแหละประกาศว่าใครไม่มีใครขาดแขนอะไรไหมนิมนจะได้ไปสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์ก็ไม่ว่าอะไรเอาวางไว้ตรงนั้นถ้าพูดเป็นสิ่งที่มันหนักหนักข้าไปก็เช่นว่าเงินหรือทองนี้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 ความเป็นจริงนั่นก็เมื่อได้ออกมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็รู้เรื่องว่าเออเงินทองนี่เป็นของฆราวาสไม่ใช่เป็นของพระถ้าพระมาดั่มมารวยอยู่ในฆรัวาสในยางฆราวาสนะนั่นก็แยกกันเท่านั้นแหละมันแยกกันต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างมีเงินมีทองพูดไปฟังเสียงใครเป็นกบเป็นเหล่ า, านนะ่ะ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 ที่มันเหลือมีอยู่นั่นก็มาบอกผมเป็นคนปวนารณาอเป็นพุนปวาระาจะไปที่ไหนมีประโยชน์ไหมไปอุบวนไปทําไมไปเล่นไม่รับรู้ถ้าไปเล่นไปโรงพยาบาลนือไปโรงพยาบาลหารถให้อะไรให้ถ้าไปไม่มีประโยชน์เด็กก็ไม่รับรู้ไปเร่นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เล่นมันเด็ ก, กมันเล่นผู้ใหญ่มันต้องหยุดเล่นกันนล้ว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 ถ้ามีราบมีหยดสันตะสริญมันก็ชูเกิดขึ้นมาอีกซะแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวไปเสียอย่างนี้ก็ต่างคนต่างแย่งเอกราบกันเท่านั้นแนี่ยในความเป็นจริงที่ระบวชมาในพระพุทธศาสนานล้วไม่จําเป็นจะไปทำของอย่างนั้นทําให้มันดีๆคนนั้นดีกว่ายกตัวอย่างเช่นโบสถ์วัดประพงศ์เรานะดกจสิทธิ์ร้ายคนเลยมาอ้อนวอนให้อาดมา ทำเหรียญบางคนโกรธเลยทำไบอนุโมทนาบัตรเซ็นชื่อตามาใส่ไปนั้นจะไปหาเงินตามาไม่ได้เลยไม่ยอมไม่ยอมให้ทำเหรียญถ้ามันมีแวแวๆเนี่ถึงซื้อพิมพ์บางครั้งก็มันขโมยทำกัน <c oughs> ไอ้คนที่มาถ่ายรูปไปเอารูปไปเด็กไปทำบล็อกอะไรต่ออะไรไอ้ตามาก็ไม่รู้เรื่อง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 โยมว่ามีงบประมาณเท่าไรไม่รู้มันเสร็จนะนะโยมงบประมาณมันอืนะก็ได้ทํามาได้ดื้อได้ดื้อมาอย่างเนี้นะก็ยังมีคนดีหลายคนมีคนดีมากที่จะไอสร้างบุญเพื่อเอาบุญจริงๆน่นมีมากตรงเนี้นะไม่ได้ไปที่อะไรใครไม่ได้ไปบอกบุญใครที่ไหนก็ไม่ได้ไป โบสถ์บางแห่งอัตมาว่าเมื่อทําช่อฟ้าหรือดูกดิ๊มิดแล้วตอนตอนเช้ามาก็เอาขึ้นรถยนต์วิ่งตลอดวันไปเถอะหลายมีกีจังหวัดเอามาฮะกลับมามเดี๋ยวกระึงพรุ่งนี้ก็ไปอีกเอาอยู่อย่างนั้นแหละโบสถ์ดังนั้นนานเสร็จือกันมันนานเสร็จนะโบสถ์นี้เรียกว่าไม่มีอะไรมากที่ญาติโยมมาถวายไว แม้ตั้งแต่สตางค์หนึ่งสองสตางค์ก็ตามแต่ไม่มีไปที่ไหนตรงนี้รวมในที่นั่นในตลอดทำบุญให้ทานบุญบ้านอะไรต่างๆรวมไปตรงนั้นดวก็พระไม่เอานี่ก็ทุ่มเทลงไปในนั่นหมดอานฉะนั้นของมันจึงไม่แยกกันนะมันจึงมรวมเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรตรงนั้นโดยมากก็ที่วัดน้องประพงษ์นี้จะไปวรินอย่างนี้ ก็โยมมีศรัทธาเนี่ยอรุตถวายไปฮะไม่จำเป็นที่จะทําอะไรไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินกเพราะพระไม่มีเงินดุสิตดุขาประชาชนทั้งหลายกําลังเข้าใจกันจะไปโน่นไปนี่ก็สะดวกถึงแม้ว่าจะเดินไปตรงไหนก็เดินไปเถออย่างพระฝรั่งมาอยู่ด้วยท่านอยากจะไปท่านก็เดินไปกรุงเทพเถอผมไม่มีค่ารถจะส่งให้ท่านท่านก็เดินไปเดินไป เ, ไปเถอท่านปฏิบัติไหว แต่ไม่ถึงกรุงเทพหรอกไม่ถึงหลายกิโลละเขานิมุนขึ้นรถท่านมาจากไหนมาวัดนงประโงคนิมนต์ครับเขากึืนวัดตงประโภคเอาสตางค์ถวยายใส่ยามท่านท่านมันไม่เอาฉันเอาไม่ได้ผิดบาปนี่ญาติโยมทางหลายก็ถ้าจะส่งก็ส่งไปวัดตงประโงคนุ่นดีกว่าอาตมาจึงได้รับปัจจัยมาหลายหลาย นายสถานีบ้างนายตำรวจบ้างใครๆบ้างพ่อค้าประชาชนทั้งหลายส่งเช็ดมาที่พระฝรังเดินทรุงไปว่าพระฝรังไม่เอาเงินท่านบอกว่าให้ทรงอาที่วัดรประพงน์นี้ให้มันเป็นประโยชน์อย่างนั้นอันนี้ก็้วยอำนาจที่พระไม่ต้องการเอาเงินต้องการสร้างคุณงามความดีเห็นโทษมันอย่างนั้น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 นิยมอันนี้กันมากแต่ทาไม่ค่อยถูกบางทีก็เอาแง่งนี่ไปฉันก็ใส่ย่ามพระไปเลยอย่างนั้นถือว่าเป็นบุญแล้วอันนั้นเดี๋ยคือมันผิดแล้วมันผิดมันน่าจะให้มันถูกแต่ว่าให้มันผิด ม, มันผิดแล้วโยมมันผิดยกตัวอย่างง่ายๆนะโยมกอม กับโยมขอสองคนคนหนึ่งถวายเหล้าเมฆงกับพระคนหนึ่งเอาใบแดงแดงถวายพระสองคนนี้ถ้าหากว่าประชาชนเราดูกันก็เห็นว่าโยมก่อเนี่ยมันผิดเอาเหล้าไปถวายพระโยมขอเนี่ยมันถูกเอาเงินถวายพระจะได้เห็นกันอย่างนั้นอย่างน้อยเกส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 สมมติว่าเงินทองมันถึงขนาดนี่ว่าพระกอจะไปซื้อเงาะมาสักพวงหนึ่งซะหรือลําไยมาสักพวงหนึ่งซะซื้อเลยตนเองมาก็เอามาซะมาฉันเนื้อมันเอาเอามาเล็ดมันหนึบกลับไปในดินนั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาอีกเป็นต้นลําไยอีกพระองค์นั้นไปอยู่ร่มมันไม่ได้อยู่ร่มมันก็ไม่ได้ไม่ว่าจะจะไปกินมันเลย อยู่ร่มดำใยไม่ได้นโยมไม่ได้จะไปซื้อผ้ากีวรมาไปซื้อเตียงมาเองอย่างเงี้ยมันนอนไม่ได้แต่มันนอนได้เออมันเปลี่ยนใจงั น, งนแต่อันนี้ไม่รู้ซึ้งในจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายในเวลานี้มิฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายจึงอุปถากตพระส่งเสริมพระในทางที่ไม่ถูกเห็นว่ามันถูกมันจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นมามากอืฉะนั้นก็เรียกว่า เรานับถือพุทธศาสนานี้เราทําอย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าใจว่าเราเอปฏิบัติศาสนาให้เจริญท้าวรความเป็นจริงมันเหยับย่ําพุทธศาสนาหายับยืนไปนี่ยแต่เราคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างนั้ น, นฉะนั้นวัดนี้อาตมาพยายามที่สุดไม่พยายามที่สุดถ้าเป็นวัดประโพงหรือสาขาวัดประโพงแล้วจริงๆไม่มี ไม่ตาไม่มีเงินในย่ามไ ม, ม่มีไม่มีเป็นยางงัน้นถ้าหากว่าเดินทางไปถวายค่ารถก็ให้เจ้าของรถเข้าไปเงินมีจะให้เงินปัจจัยของท่านด้วนๆ น, น, นี้ไม่มีีิฉะนั้นทุกสาขานีที่ออกจากวัดนงประพงน์นี้ประมาณในเราสักสามสิบกว่าสาขาเนี่ยทุกวันนี้เกือบจะถึงสี่สิบล้ลนี่อันนี้ก็ ค่อยๆทํามาเรื่อยๆมาอย่างนั้นน่ะเป็นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยๆมาตลอดทุกวันนี้การสร้างวัดทุกแห่งก็จะเป็นไปในระเบียบอันเดียวกันนี้โดยมากจะต้องเป็นอย่างนี้มิฉะนั้นวันนี้จึงให้แถลงให้ญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักทราว่าพระวัดหนองประโปงทำมาก็ทํามาเรื่อยๆมางี้มิฉะนั้นแต่พระไม่มีสตางค์แต่นี่พระมีพระวินัย มีข้อวัดปฏิบัติอสมัยนี้ข้อวัดปฏิบัติเราไม่เกือบจะหมดกันแล้วมันหมดกันมันจะหมดกันแล้วฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลในวันนี้หรือทุกวันที่ไหนก็ตามให้โยมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นระลึกยังไงว่าพระพุทธเจ้าท่านทํำยังไงท่านพูดยังไง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 ปัจจุบันนี้ก็หายสงสัยอดีตก็หายสงสัยอนาคตนั่นก็หายสงสัยว่าทําดีได้ดีหรือเปล่าทําบุญได้บุญหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้รู้จะรู้ตัวบุญจริงๆโดยมากคนทุกวันมีศรัทธาแต่ไม่ค่อยมีปัญญาว่าทําบุญนั่นก็ได้บุญไหมไม่รู้พ่อแม่ทํามาอีฉันก็ทําทมาอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมันถึงมีการฟังธรรม การแนะนำพรมสอนให้ทายกทายิกาเราทั้งหลายเข้าใจอเรื่องปฏิบัตินี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกวันนี้ไอ้ที่มันตรงตามหน้าที่ของมันนี่มันก็น้อยค่อยๆก็มาเขือมาเขือต้นหนึ่งเราจะปลูกมันปีนี้ปีหน้าต้องถ่ายเอารุกใหม่ทําพันุ์ จะเอาไอ้เมล็ดอันเก่าไปทําปันเรื่อยๆแต่มันก็เป็นมะเขือคืนถึงนั้นเนี่ยมันเสียหายไปถ้าเราไม่ปฏิบัติให้เข้มงวดเขาในนี้ก็เรียกว่ามันหย่อนกันไปเสียถ้ามันหย่อนมันเหมือนมันผิดมันผิดจากความจริงความจริงก็เรียกว่ามันถูกต้องมันผิดจากความจริงก็เรียกว่ามันไม่ถูกต้องเราจะดูดูที่ประชาชนเราถูกวันนี้ทําไมทําให้เสื่อมอะไรทําให้เราเสื่อม ความเจริญทําให้เราเสื่อมความสุขทํำไ้เราเสื่อมความสบายทําให้เราเสื่อมไม่ให้ถูกต้องเพราะความสบายเพราะความสุขเห็นแก่ตัวมากแค่ น, นี้ไม่รู้จักฉะนั้นประชาชนเราทั้งหลายรู้สึกว่าเนะมืองไทยเรามันเจริญขึ้นมาเมื่อความเจริญมันเกิดขึ้นมาไอ้ความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นมาตามมันตามกันมาเรื่อยๆมาอย่างนี้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 โกนเล่นบวชโกนผมทําไมเขาถามโกนเล่นพอดีกันคำคําที่เขาถามเลยลือกกันเลยเท่าเนี้ก็คือมันถามหาอัานเนื้อหาอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอย่างไสายอย่างงั้นคือไม่เข้าใจความจริงอืฉะนั้นพอดีปีนี้มีนักศึกษาจุฬาอืนิสิตนักศึกษาจุฬาและกระดมคาแหง นักศึกษาชุดนี้มียังการศึกษาอยู่ศึกษาจบแล้วก็มีมีถึงตำรวจสันติบาลเร้ยโทรอย่างนี้ยังอยู่วัดเขื่อนประมาณสักี่สิบกว่าคนมาขออบรมตั้งแต่น้นก็มาขอกัอตมาก็อนุญาตให้ทำอัตมาก็อยากอบรมนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาเนี่ยมันทำความเจริญให้เมืองไทย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 อบรมกันทุกวันเห็นมามันจะดีหรือไม่ดีอ่ะไอโยมอบรมลูกลูกทุกวันดิลองลองดูสิตอนเช้าก็อบรมตอนเย็นก็อบรมยืดเรื่อยๆนะถ้ามีลูกชายมันจะหนีไปจากบ้าน น, าน้ำคานมันเนี่ยมันเป็นไฉอย่างนั้นอาตมาบอกไอ้ฟังว่าพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่กับผมนี่ไม่ใช่บอกผมเพ็นงคู่สอนท่านนะผมสอนท่านไม่ได้เราท่านต้องสอนท่านเองลองดูสิว่า ที่วัดประพงษ์นี่ที่วัดเขื่อนวัดโพธิยานนี่เป็นที่สงบเงียบนะครับสมกระพู้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกันกระโคมันกินหญ้าต้องเอามาปล่อยใสสนามหญ้ามันก็ต้องกินหญ้าถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็เป็นหมูเท่านะั้ไม่เป็นโคแล้วคนมีศรัทธาต้องการความสงบต้องการควางามความดี เมื่อปล่อยใจหมูพระสงฆ์เนนที่ดีมันก็ดูมันถูมันมีนี่ตามันมีนี่มันก็เห็นถ้าหากว่ามันชอบการประพฤติดีประพฤติชอบเหมือนกับกระโคนชีวิตมันกินหญ้าเอาไปปล่อยใจสามหญ้ามันก็กินหญ้ามันก็แย่งกันกินเท่านั้นเนี่ยถ้าไม่กินมันก็เป็นหมูเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่โคเท่านั้นเนี่อาจารมาสอนอย่างนี้แต่ก็หยุดไปนะเดี๋ยก็ดูไปถามไปด้วย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 ที่มันหิวเราก็ไม่เล่นกับมานดิบางทีมันวันนึงมาจากวิยนทวาลเดินมาน้องพ่อรองพ่อปณิพานเป็นยังไงยุดอย่าเพิ่งพูดโดยไปฉันอย่างนั้นกันก่อนเรื่องปณิพานมันเรื่องที่หลังเถอะเราตะพายบาดไปนี่มันเหนื่อยแล้วไปฉันอย่างขันถึงพูดกันนี่เป็นไอย่างนี้จ้ะถ้าคนไม่รู้จักมันก็พูดเรื่องปณิพานเนี่มันฟังกันนะอืมเหมือนพูดอะไรให้คนหูหนวกฟังฮะ ที่มันไปตามไม่รู้เรื่องนั่นฉะนั้นจึงบอกวา่านักศึกษาปีนี้ท่านทั้งหลายในมีมีบุญมีบุญในมาประสบเหตุการณ์ที่นี่ก็ได้ไปเปลี่ยงคําสอนสอนเธอพอสมควรให้คนที่ฉลาดเนี้ยไม่มากครับคนที่ไม่ฉลาดสอนเนี่ยมันเถอะมันจะเป็นยังไงก็สอนเนี่ยมันเถอะแต่ว่ามันเป็นข้าคนสอนด้วยคนไม่รู้กฎเกณฑ์ไม่รู้จักบทบาทของคน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 อเช่นว่าพ่อบ้านแม่บ้านจะสอนกันอืมที่มันผิดมาเถื่อนเวลาใจไม่ดีปล่อยมันไหนะมวันในทานข้าวยิ้มสบายอะไรคุณวันนั้นฉันสงสัยว่าไม่ค่อยดนะีไปพูดกับลูกอย่างนั้นไม่ค่อยดีนะวันหนังอย่าไปทําอย่างนั้น <c oughs> ก็รับฟังมันกินข้าวยิ้มเดีวยวนะ้อไอคนหิ้หิวไงโมโหไปพูดกัน ไ อ, ไอ้เคยไอ้อที่คนรับฟังก็หิวไอ้คนที่พูดก็โมโหนึนกเอาไฟไปใส่กันท่านั้นเนี่ยนี่โยมจำไว้นะบางทีเป็นประโยชน์นะโยมเนี่ยออาจะมาคอยคอยสังเกตเนี่ยไปสอนลูกเตมีรามันโมโหแ้วนันเนี่มันก็เก็บใจเขา่านเนีะเอาของไม่ดีให้เขาเน่ยขเขาจะเอาทำไมตัวเราก็เป็นทุกขลูกก็เป็นทุกไม่สบายเลยอย่างเงี้ย ออันนี้สอนนี่ก็เป็นของบุคคละคนมันชอบความดีทั้งนั้นเนี่ยแต่ความดีเราไม่พอให้ความดีมันไม่เป็นเวราไม่รู้จักบูดบาดไม่รู้จักการเวรามันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้คือมันการ น, นั้นอาหารที่มันอร่อยอร่อยนะเราต้องสดเข้าทางปากเงี้ยเกิดประโยชน์ไหมเอาสดเข้าทางหูที่มันจะเกิดประโยชน์ไหมเอาสิลองลอ ง, ลองดูสิอาหาร อ, าอร่อยอร่อยมันมีประโยชน์ไหม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 รู้จักฟังเท่นะั้นแหะแต่ไม่รู้จริงถ้าไม่ถ้าไม่รู้จริงเนี่ยถ้จะรู้จริงเมื่อไรรู้จริงเมื่อโยมไปสอนโยมเองอือัตามาสอนโยมไม่รู้หรกอกอเ ม, มื่อโยมไปสอนโยมเองนั่นแหละอืถึงจะรู้จักวันนี้จะเปรียบไปฟัง ง, ง่ายเมื่อนี้ให้ผลไม้สองใบ อตาตมาไอใบนี้มันเปรี้ยวนะใบนี้มันหวานนะโยมก็เข้าใจกันก็นึกว่ามันจะเปรี้ยวมันจะหวานทั้งหมดนะก็เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราไปชิมดูซะโอยใบหนึ่งมันฝาดใบหนึ่งมันขมนี่แต่อตาตมาบอกว่าอันนี้มันหวานนะอันนี้มันเปรี้ยวโยมก็เข้าใจว่าเชื่ออตาตมาเนี่ยท่านยังบอกว่าคนไปเชื่อคนอื่นอยู่นั้นอนะ พระพุทธเจ้าไม่สนเสซินเนาไม่ ส, นสันเซินท่านว่าให้เชื่อเจ้าของให้เห็นกับเจ้าของเนี่ยเชื่อซะผลไม้อันนี้อัตมาบอกมันเปรี้ยวแล้วก็มันหวานนี่โยงคงจะเชื่อกันนี่เพราะนับถืออัตมานี่ในความเป็นจริงอัตมาเอาผลไม้ที่มันฝาดในใบหนึ่งเรียกกรขมใบหนึ่งโยงก็ถือไปถึงกรุงเทพไม่ถึงก็ขึ้นรถด้วย ขึ้นบนรถก็เอาผลไม้มาทานเด่นเหมือมันขมนี่มันฝาดเนี่ยเข้าใจไหมอันนั้นนั่นเชื่อคนอื่นเขาอันนี้กคือเป็นการชันนั้นถ้าเราเชื่อเราเอออันนี้มันฝาดอันนี้มันขมอันนั้นยิ่กว่าเป็นปัจจิตังเวีิเตโพวินยูชนรู้เฉพาะเจ้าของเองอย่างนี้อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างทุกประการนั้นให้ผลที่สุดนี่คอยฝากธรรมะอันเนี้ยนี่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 ไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นมนุษย์เราจังหลายถึงไม่ได้ประโยชน์เสมอกันเนี่ยยังมาฟังธรรมวับบนนี้บางคนก็นอนดับไม่รู้ว่าเราพูดอะไรกันเนาะก็ไม่ดูเรื่องเท่านั้นนะนะนี่คนมันไม่เหมือนกันอย่างนี้นาะโยมนะมาวันนี้ก็เลยจะครึ่งหรือรายก็ครึ่งเท่านั้นเนี่ยนะจะรู้จักแต่คนที่นั่งฟังที่ไม่นอนเท่านั้นเนะนะไอ้คนที่นอนก็เงีอาไปเกิดประโยชน์อะไรเลยเนยะเออเหมือนกันเกินคนที่นอนนอนเอาดินหม้อมาป้ายหน้าซนะ เท่านั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาป้ายหน้าเราเมื่อใดนะตอนเช้าก็ไปโคตรมาลุกขึ้นมาใหญ่ไอ้คนก็หัวร้อยย่ออยู่เราเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนาะเมื่อว่เขาป้ายหน้าเราเมื่อใดอันนี้คุณวันขันฉันนั้นการฟังธรรมวันนี้ก็รู้แต่คนที่ฟังคนที่ไม่ฟังก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังก็ไม่ได้รู้นะเอาละวันดังถึงแบ่งกันใหม่นะไปถึงบ้านค่อยๆแบ่งกันก็ได้นะช่วยๆแบ่งกับพวกนอนด้วยนาะมันเสียเวลาเขาแล้ว เนะเอาแล้ววันนี้เลิกกันนะเอ่ีดใครจะไปนั่งไปนอนก็อย่าลืมการภาวนาความดีของเราเนอะเออปีหน้าปีต่อไปขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะเออได้มากราบมาไหว้ได้มาทำบุญด้วยสมัยก่อนเ็าจะโอ้ยภาคีศาลมันแห้งแล้งเหลือเกินไม่อยากจะมากันเนี่ย อไอ้คุณเดียงท า, ามาเปล่าทั้งพ่อมันมีโรงแรมไม่มึงอุบลเนอ่ยมีน้าประปาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรวุ่นเขาโกงนึกว่ามันแห้งแรงไม่ได้กินน้ำจะตายกันเนี่ยนะพอมาถึงเราแหมมันดีกว่าวันเรานะไอ้ตามาพาเดินไปทําแสงเพชรเนี่ยอย่างนี้มันก็มีคนพูดคนอื่นพูดก็มีเหมือนเราเห็นเองทุกวันเหมือนกันนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างอื่น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 ทำหน้าที่ของเราเนี่ยเนเพนข้บ้นแม่มเมื่อเริัมจะโตนะนี่นะอะไรวุ่นวายขึ้นไปเนี่ยไปเอาหน้าที่ของต้นไม้มาทํามันก็วุ่นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเรานะเราก็ <cheerful. S 1> ให้น้ำของเราไปเธอให้ปุ๋ยมันไปเธอเรื่อยรักษามาแดงไม้ไปเธอะต้นไม้มันจะโตเองของมันต้นไม้จะทำหน้าที่ของมันเองเราก็ทำหน้าที่ของเราต้นไม้ก็ทําตามหน้าที่ของต้นไม้ต่างคนต่างทําหน้าที่เท่านั้นมันก็เกิดผลเท่านั้นแหละ อันนี้ไปรถไม่กี่วันแมงอะได้มันจะโตนี่ต้นพร้าวนี่กีปีมันจะได้กินนะเรียกกโดดนี้ซะมันแห้งทิงหมดเะแล้วมันเป็นเช่นนี้ก็เหมือนคนโบราณนั่นแหละแต่ก่อนมันไม่มีมีขีดไฟน่ะมันเกิดจากขีดจากเด็กกันนั่นไม้ไผ่อย่างเงี้ยอเรียกว่เอ้ยไฟมันอยู่ที่ไม้ไผ่นี่นะเนี่ยเอาไม้ไผ่สองสี่ยมาสีกันเกิดไฟเท่านั้นแหละเราเลยยินกูนึกว่ามันจะง่ายๆนะอื เอาไม้ไผ่สองสีมาสีกันเนี่ยมันเกิดไฟสีไปเรื่อยเรื่อยสีไปมันจะเกิดเหมือนกันเนี่ยบางทีมันถึงฟวอนออกแล้วก็เหนื่อยขี้เกียจก่อนหยุดอหยุดมันก็เย็นแล้วนะเริ่มใม่อีกจวนจะมีไฟเริ่มก็เย็นอีกแล้วทาไมไม่มีไฟความร้อนมันไม่สมดุลกันมันก็ยังไม่มีใจเรามันร้อนไปก่อนจากนั้นก็ไรบัซซีไม่ไผ่เนี่ย ไ, ไม่มีไฟไม้ลาปอนี่ไฟไม่มี ก็พอเราทำไม่ถึงที่มันเราขีดเกียดก่อนนะถ้าเราทำเรื่อยๆของมันไปอย่างนั้นมันก็เกิดไฟกันมาได้เท่านั้นเออันนี้คือมันกันฉะนั้นจะอดทนอดทนนี่เป็นแม่บททั้งหลายทั้งพวงฉะนั้นทุกคนใครจะมีหน้าที่การงานขา้าราชการในทำมาหากินทุกประการก็เป็นคนอดทนในหน้าที่การงานของตนความอดทนนั้นเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหลายทั้งพวงนั้น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 เอาธรรมะใกล้ๆเราเอาธรรมะระตัวของเรามาพูดในฟังนะจะได้เห็นกันง่ายๆมีอยู่ในตัวในตนทุกๆคนเดี๋ยวพูดในฟังอย่างนี้ฉะนั้นของจะเป็นอปุปนายกธรรมให้น้อมคาสอนนี้เข้าไปพิจารณาจะได้เห็นทุกสิ่งทุกส่วนทุกประการในกายในจิตของเจ้าของเท่งนั้นแหละที่เรียกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้จากทุกไม่รู้จักเหตในเกิดทุกไม่รู้ความหลับทุก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 ให้มันเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วไปพบอะไรต่างๆมันก็เห็นอยู่ในใจของเราเราไม่เห็นที่อื่นแนะ้วไปพบความผิดอะไรมันรู้จักปากพูดไปมันจะผิดใจก็รู้จักตามองไปมันเกิดความรู้สึกมาผิดจิตรู้จักนะไม่ใช่อื่นมิฉะนั้นประพุทธเจาตนในพึงตนในพึงตนของตนอัตโนโจทยัตนนังจงเตือนตนด้วยตนเดงคนอื่นใครจะเตือนได้ ไ, ดไหมต้องเตือนจาของ อย่าอาศัยคนอื่นนะโยมนะอาศัยตัวเรานะออาศัยตัวเราปฏิบัติเอาที่มาอยู่ร่วมกันมากๆนี่อาศัยเป็นเพื่อนกันมาแต่นั้นแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เข้าใจไหมว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่อันนี้ท่านสอนแล้วท่านถามแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคําสอนของท่านเตตัวท่านไม่อยู่ถึงเอามาพูดเดีย๋ยวโกยเฉยเสีย ในความเป็นจริงต่งางมาวันคืนมันร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะวันคืนร่วงไปร่วงไปคือชีวิตเดินหมดไปหมดเลยทาอะไรอยู่ไหมวันเนี้วันนี้คิดอะไรอยู่ไหมทําอะไรอยู่ไหมผิดไหมถูกไหมดีไห ม, ไมชั่วไหมทําอะไรอยู่เดี๋ยวเนี้ท่านจะสอบสวนเจ้าของอย่างนี้เองถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็เห็นความผิดถูกที่ตัวของเจ้าขอ ง, ของเมื่อรู้จักผิดถูกก็รู้จักที่แก้ไข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 ถ้าเราเห็นได้ก็สบายใจแฉะนั้นบัด น, นี้การเวลาก็พอสมควรนะญาติโยมก็คงจะหนิดจะเนื่อยนะมั้งอ่ามือพรุ่งนี้จะยอยู่ีปสักสคืนหนึ่งอีกซะด้วยนะบัด น, นี้ก็จึงพระกันพักผ่อนกำลังและภาวนาแค่นั้นพ้นที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจของคุณประสีรัตนใจจงปุกปักรักษาของ พุทธบริษัททั้งหลายพูด ท, ทั้งมั่นในประธรรมินายนี้ให้เป็นผู้มีอายุวันนะสุขะปลระตลอดกาลนาน